เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมมาดังนั้นกล่าวได้นะครับว่าวิญญาณของบัรพชนเนี่ยหาได้ตายจากไปไม่ยังแฝงเร้นอยู่ในหน้าตาผิวพรรณแนวโน้มเองีงในจีนดังนั้นมนุษย์นี่แท้ที่จริงนะครับเป็นชีวิตเดียวไม่ว่าในปัจจุบันร่วมสมัยหรืออดีตหรือจะมีในอนาคต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 ความสุขใช่ว่าจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเราที่เราจะตะกลุ่มตะกลางามาครอบครองได้แต่ว่าเราควรจะเป็นส่วนหนึ่งของความสุขนั่นคือร่วมสร้างสารรค์บรรยากาศของความสุขซึ่งมีสามัคคีเป็นหลักคือความมีน้ำหนึ่งใจเดียวถ้าว่าโดยทางสงหรือทางพระหรือทางสิ่งที่เป็นกุศลแล้วสามัคคีอมหมายสามัคคีในสิ่งที่ดีในสิ่งที่มีประโยชน์ในสิ่งที่ไร้โทษ ดังนั้นเมื่อเราชวนกันสร้างสารรสามัคคีในสิ่งที่ดีมั้นเราช่วยกันสร้างลงทําทุกคนก็ได้นั่งหลบลมแดดฝนได้งั้นเราก็ได้พลอยได้รับความสุขจากการที่ช่วยร่วมสร้างบรรยากาศของความสุขในช่วงถัดมาท่านผมพูดเรื่องความสุขภายในร่วมสร้างบรรยากาศสามคัคคีนั้นเป็นเรื่องของสังคม โดยส่วนรวมสมงถัดมาผมพูพ้เรื่องความสุขในภายในที่เกิดจากการสิ้นปัจฉิมานะสิ้นการถือเนื้อถือตัวสิ้นการยึดถือว่าตัวตนวต่าของของตนซึ่งเป็นบรมมัสุขเป็นสุขซึ่งไม่มีอะไรเกินความสุขเอ่ยชื่ อ, อความสุขนั้นใคยๆก็ย่อมต้องการใคยๆก็ย่อมปรารถนาไม่มีใครเลยที่ไม่ต้องการ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 สิงที่เราปล่อยคว้าก็กลับเป็นอารมณ์ซึ่งคล้ายๆ ล, ลูกฟึซลูกบอลที่เด็กๆ เ, เล่นที่ริมทะเลเมื่อเรากระโดดคว้ามันมันก็กําหนดเราให้หัวที่มหัวต่ำไปเรื่อยๆแต่จงทําตัวให้คล้ายๆเรานั่งอยู่บนโลกซึ่งเป็นลูกบอลใบใหญ่หมุนไปด้วยอตราที่เร็วสูงแต่เราก็อยู่กับมันเราเป็นส่วนหนึ่งของความสุขนะค ในลำดับถัดมานั้นท้องก็พูดออกไปหลายแงย่หลายมุมแต่ล้วนแล้วจะเป็นเกล็ดเกล็ดผิดย่อยเรื่องจั ก, กรวาลบ้างเรื่องการศึกษาบ้างเหมือนกับคนพร่ำเพ้อถึงหลายบางสิ่งแต่นั่นเป็นเพียงข้อคิดเห็นซึ่งไม่สู้จะมีความสลับสำคัญอะไรนะแต่สิ่งสำคัญมากที่สุดซึ่งเราจะเลอะเลือนไม่ได้หรือ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 เลอะมากๆก็คือไปจุกฆ่าเธอแกงเขาหรือปล้นสะดมตีสิ่งวิ่งราวนี่เป็นเรื่องธรรมดามากๆเราไม่พึงมองคนที่ฆ่าคนหรือเป็นโสเภณีหรือเป็นพวกกระเลวสามถ้ามองเช่นนี้ผู้มองนั้นเองเป็นผู้ที่ที่เลอะเทอะพอๆกันดัง น, นั้นเราต้องทําสิ่งที่ไม่เลอะเลือนเนี่ยสิ่งที่ไม่เลอะเลือนอยู่แล้วนะครับเราเหมั่นชําระ ไม่ให้มันเลอะเรือนประดุดกักระจกเงาซึ่ ง, งสายสะอาดแล้วก็หมันเช็ดฝุ่นละอองออกไปกระจกนั้นก็ทำหน้าที่ทำกิจที่พึงทาได้ดีจิตใจของเรานั้นจำสายอยู่แล้วครับโดยธรรมชาติจิตใจของมนุษย์ทุกผู้ทุกทุกรูปทุกนามนะย่อมเป็นธรรมชาติซึ่งจำสายคือบริสุทธ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 ไม่ช้าไม่นานธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้วนๆของมันล้วนๆทุนๆจะปรากฏขึ้นเองว่าโดยธรรมชาติแล้วขี้โคลนนี่ก็บริสุทธิ์นะคือเข้าบริสุทธิ์ตามธรรมชาติดอกไม้ทุกดอกย่อมบริสุทธิ์ตามธรรมชาติข้างคกกิ่งคือนี่บริสุทธิ์ตามธรรมชาติแต่คนนี่ยังเกียดกิ่งคือมากบ้านที่ผมอาศัยก็อยู่นะ ติดริมบึงริมคูกิ้งคือขึ้นมากขึ้นคืนหนึ่งผมเฝ้าดูกิ้งคือเป็นสัตว์ที่มีอหิงสามากครัไม่สู้เบียดเบียนใครใครไปแตะข้าวเดี๋ยวก็มวนขดหลนป๊อกนอนนิ่งพอรู้สึกว่าพ้นอันตรายก็คืบคลานต่อไปแต่ว่าเรารังเกียจมากสัตว์ชนิดนี้เราขยะขยายที่จริงเขามปนสัตว์ที่ไม่ค่อยเบียดเบียนใคร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 ซึ่งมีแสงสว่างโูยพุ่งออกจากดวงดวงตะวันเองแต่ว่าคราใดที่มีเมฆเข้าบทบังนั้นพื้นโลกก็จะถูกบทบังไปด้วยมืดคลึ้มไปด้วยอุณหภูมิมันจะเปลี่ยนไปทัศนวิสัยก็จะไม่ไม่ไม่สว่างเหมือนเดิมแต่แล้วไม่ช้าไม่นา น, นครับเมฆหมอก น, นั้นผ่านไป ราธิเกแจแฉมจ้าเหมือนเดิมส่องสว่างไปทั่วทั้งสุริยะจักรวาลนี้ <Yeah. S 1> จิตใจของเราก็ฉับ น, นั้นเปรียบประดุตแหล่งที่มาของแสงสว่างเพราะชีวิต จ, จิตใจนั้นเป็นเป็นแหล่งกลางส่วนบุคลิกภาพสังคมค่านิยมต่างนั้นมันเป็นสิ่งที่หลังมันเป็นผลพวงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเองถ้าหากมีห้องมื ด, มด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 เมื่อกรเพียรที่สํสำรวมจิตใจเช่นนี้นะครับใช้สิ่งที่บบพชนของเราสร้างสารรค์สิ่งดีงามไว้ให้เป็นสื่อเมืเ่อเหลือบตาเห็นช่อฟ้าทันใด น, นั้นก็โหนก็กลับเข้ามาในหัวใจเพราะช่อฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของความเฉิดฉายและสูงส่งของชีวิตนะฮะเห็นยอดเจดีย์ได้ยินเสียงละคังดังเงยเงา ผู้คนผู้เป็นศาสนิกที่แท้นะครับผู้เพียรเจริญมากคนนะี้เขาจะเลือกใช้สิ่งเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสมประดุษนักดนตรีที่เก่งก็เลือกโน้ตขึ้นมาเรียบเรียงได้เกิดสิงเพลงที่ไพเราะธรรมะที่วิ่เจ้าสอนนี้นะครับถ้าปฏิบัตินานคุ้นเคยจะรู้สึกเป็นสิ่งที่งามงดงามเป็นอย่างยิ่งครับไม่ว่าตอนที่เริ่มต้นสอนหรือในธรรมะง่าย ตนกระทั่งกลางๆและที่สุดนั้นเป็นสิ่งที่งามยิ่งเปรียบประดุดกับโน้ตเพลงแต่ว่าถ้านักดนตรีบรรเลงไม่ถูกต้องสมมติเราไปนค้นพบโน้ตที่หนึ่งเมื่อบรรเลงไม่ถูกต้องตามนั้นก็จะพบว่าเพลงนี้ไม่เพลาะไม่แพร่เราะเลยดังนั้นเราต้องอาศัยสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนไว้นะะี่ครับและปฏิบัติเข้าไปตรงๆอย่าลังเล ยาเชยชานะครับต่อสิ่งกระเสดแบบนี้ในสุดผมก็ขอสรุปไปเพียงเท่านี้นะครับแม้จะไม่ช่ชัช่วโมงสุดท้ายแต่ผมก็อยากจะกล่าวขอบคุณท่านอาจารย์ที่สุดมากๆที่ให้ความสะดวกกับผมมากเลยตั้งแต่มารถไฟก็ได้นอนมาเรื่อยครขากลับนี่ก็ได้นอนอีกแล้วก็คุณสมศักด เหนื่อยมากหิวข้าวไปให้ผมกินแทบจะทุกมือ้อวันนี้ก็ลื่นล้มที่ข้างบ่อล้วมีเพื่อนเป็นห่วงแก้วมากกว่าเป็นห่วงคุณสมศักดิ์ซีกและสมชายครับที่วิ่งจักการนูอนอ้นนี้แล้วก็หลายหลายคนที่ไม่ได้ระบุชื่อนะครับก็ทุกคนทําความดีก็คงได้รับผลดีตามตามที่ทานะครับ ไม่ใช่ผมจะให้พรได้พรก็อยู่ในตัวของเราเราทำดีเราก็ไม่ต้องเรียกร้องอะไรจากใครมันก็ดีเท่านั้นเองเมื่อเราชกน้ำมันก็น้ำก็ทิ่มให้เท่านั้นเองแล้วก็ผมหวังนะครับเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องมีความหวังหวังว่าพวกเราทุกคนของ กำหนดจดจำได้บ้างไม่มากก็น้อยสิ่งที่ผมพูดหรือท่านอาจารย์ที่สุดพูดหรืออย่างน้อยสุดก็คือความรู้สึกประทับใจที่เคยอยู่ร่วมกันแม้คนที่เลอะเทอะมากๆาก็คงจะจำได้วันหน้าวันหลังเจอหน้ากันในเรือในรถร้องทักบ้างผมอาจจะจำไม่ได้เพราะอายุก็มากแล้วร้องทักบ้าง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 ทนดังทในสิ่งที่ตัวเองรู้และตัวเองเข้าใจ <c oughs> อย่างนี้ชื่อว่าการพบปะคบหากันคงไม่เสียเที่ยวอาจารย์พิสุดคงไม่ต้องเสียเงินเปล่าให้ผมมาไอนทะี NT, คงจะต้องยุติเท่านี้ครับข อ, ขอให้ทุกคนนะครับสบุขความสุข ค, ความสวัสดีทุกคน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 แลวขอให้ท่านอาจารย์เดินทางกลับสู่ที่พักโดยความสวัสดิภาพค่ะเคารพและศรัทธาค่ะ ที่เป็นแม่แม่เสียงมามาซ้อมแม่เสียงเพราเขาว่าท่นองเค้นว่ากเค้นมา อ, อ, อมาล้องท่อนกลางก่อนครับท่อนท่อนกลางใช่ท่อนๆเนอะเบิกบานเร่เร่อนเรร่อนก่อนผมจะบอกตรงผิดตรงไหน ตอนไปหุนทางใดให้ทุกใครจะมาแผ้วพานมันไม่ต้องงัดได้ไหมครับมันเข้ากันดนีตอนเบิกบานนี่มันถ้าเข้าใจนนี้สักเอาความชำนาญนี้ไ ป, ไปอ่าไปร้องบทต้นมันจะลงอ๋อเล่ลอนครับเอาเลยนึ่งสอง ผิดอยู่ตรงนี้ผิดมากเลยขอสามีไมตรีมีแต่ทุกคนสงบกรุณาสงบกรุณามันมันลื่นไปอย่างนี้ <c oughs> เอาใหม่เ๋ยร้อนเคาะจังหวาไปด้วยครับร้อง <c oughs> <c oughs> แถว <c oughs> <อ>ไม้นวงใจ ขอสันติไมตรีแด่ทุกคนสงบกรลวนาคือจังหวะนี้มันจะเป็นบันไดครับทำให้ข้อจังหวะนี้มันมันบางตอนไปช้ามันตอนไปเร็วก็แต่ต้องใช้จังหวะถ้าช่วยเอาใหม่ครับพร้อมๆก็ได้ครับเรรอนไปบนทางใดใดสุขภัยจะมาเท่าทาำ ออกมาในในุใจเบิกปานขอสานที่ไม่รีมีแดกทุกคนสงบกรุณาสงบกุณาย้อนไปตอนตอน้นเบิกปานสานที่ไม่รีนะให้สตสมาธิมันม่นเอตตากรมีต่อกัน เชื่อีวันควันเส็ดมีรวนในนั้นที่ร้องวันนี้ทำนองเพี้ยนดั้งนั้น <c oughs> ผมฟังตั้งแต่เช้าถึง <c oughs> แต่ตอนเช้าผมจะยินใครไม่รู้ร้องเพลงเคราะจังเลยเสียงแวาไปถึงกติที่ผมพัก <c oughs> อะไรนะเอาความรักคืนไปเอาหัวใจคืนมาใช่ <c oughs> ผมนึกในใจว่ายังนุ่งขาห่มขาอยู่น ะ, อ, นะอ๋อเด็กนะฮะผมนึกในใจว่หน้าดูนนแล้วเนี่ยนึกตอบไปว่าจริงๆเขาไม่ต้องการจะร้องเขาต้องการจะร้องถูงนี้จะได้สึกแล้วเนอะนี่มากกว่า ทุกส่วนจะได้จอมรีมีสติสมาธิมั่นตาสันติตกันเพื่อที่วันคันสนิะมีร้อนเรร่อนไปบนทางใดไรทุกัย จะมาแล้วผ่านดอกไม้ดวงใจเบิกฟานขอสันตีไมตรีมีแดกทุกคนสงบกุลนานะสงบกุลนานะสงบกุณเนะนะขาขึ้นไหมครับนานเห็นไหม <laughs> ว้อมวงกลมเลยครับดีดีกว่าลอ้อมจับมือกันแบบเดียวก็เปล่งเสียงโอมบ้งงงางร้องเพลงเพื่อมาใช้กิริยามาด้วสิงที่ดีตัวครับแล้วก็ทำในสิ่งที่จําเป็นที่จุดที่ต้องทําเพื่อให้เรามีบาปน้อยร้ อ, องเพลงนี้เฉพาะสาวไม่ในสงฆครับ ผิดไหนครับแต่ว่าทีท่จริงเราเราทำผิดเรื่องแรงๆมา ก, กวันนี้คีอมีประโยชน์ดีกว่านี้เลมากดังนั้นก็เรียกผิดน้อยๆเอาผิดน้อยทุกครั้งที่เราจะดำเนินกิจกรรม ท, ทำอะไรเราต้องหาจุดดึงภาพในตัวให้ครบก่อนจำไว้นะครับ จะร้อนชามในสิ่งสีงจนั่งล้างทุสอาดจะอยู่ในท่ายงโยงยียบล้างไม่ในนานหรือร่างกายมันจะเบียดีนนะเข้าใจลมหายใจจะจ ะ, จะแทกกระทันนทั่งในสิงที่เกียยล้างรือแม้จะล้างไม่สะอาดแลวไม่มีความสุขแล้วไม่มีการสร้างสารในการล้างตามนั่นสิงแรกคจุดสด ข้าดึ่มต้องบอกนัมันั่งนน้นร้นานดั ง, งนั้นการทำละล้างจางขง น, น, นะ น, นาข้างนอกเป็นการชำละล้างภายในของเราท่านอาจยล้างองฟุ้งซ่านของซัดใสไปขอไม่คมทัดของชีวิตนะัทานนี่ขทีล้างจานถอชื่อนั่เองเป็นเป็นข้อชีวิตที่สาคัญว่าไปแล้วก็ นี่สำคัญทุกๆกิจกรรมไม่มีไม่มีกิจกรรมไหนเลยที่ไม่สำคัญดังนั้นเราควรจะทำกิจกรรมทุกอย่างคล้ายกับอยู่ต่อหน้าจริงเราไปนั่งต่อหน้าพุทโธเราจะไม่กล้าพูดมากพุทโธพูดสักติดเขาเลมาแต่สิ่งที่ตักติดที่แท้จริงคือหัวใจเรานั่นคือโราณู้ดูจรงผู้ชาย เราอายตายคนคำพูดนี้เราได้ยินตายใจใช่ไหมครับเรารู้แต่ว่าเราไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจลึกซึ้งนะเราอายเราอายหัวใจเราเนี่ยคล้ายมีสิ่งหนึ่งที่ยืนดูเราดูเราอยู่ดังนั้นเวลาทําอะไรก็ตั้งหลักก่อนดูถ้าว่าใจเราจะเห็นด้วยไหมเหมือนเราพ่อแม่แล้วเราทําอะไรต่อหน้าท่านลูกที่ดีคือต้องถาม พ่อเห็นด้วยไหม้นมนจะทำแบบนี้แม่เห็นด้วยไหมจริงครับท่นานใดที่สังส่งนัง้นน่ยต้องถามใจค่อนใจในี้้สมหมายใจแท้ๆไม่ใช่ความคิดไม่ใช่อารมณ์อะ่างนี้ดังนั้นเราต้องสร้างให้ใจเราเป็นใจแท้ก่อนมีรู่ภาพแล้วพอทำอะไรก็ทำทำด้วยความเกรงใจตัว บางทีมันทให้ายาบาปอะไรนี้เราเคได้ยินขึ้นมาแลใช้มันมีประสิทธิภาพขึ้นทุกวันใช้ใจที่บริสุทธิ์จหลักใช้ความคิดทํามาันติดตาติดใใช้ความรู้ติดตัวแล้วก็ให้หลใมากกว่าอารไม่ไม่เช้าไม่ า, าราจะปัิวัตตัวเองถึงเด็ใเรากลายเป็นผู้ใหญ่ ทั้งนอายุน้อยร่าการที่ใหญ่ที่มีตนีท่มีหลักทีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปไม่เป็นคนหลักลอยคนที่ใจลอยหลักลอยคือว่าคนทําอะไรไม่อยู่กับล่องนรอยงั้นเพื่อนก็งงครับเพื่อนเงงไปเลยเลี้ยงทำอย่างนั้นเลีงไปอย่างนั้นจับไม่ได้แนี่เพื่อนก็บเบื่อทีหลังไม่อยากจะยุ่งกันแล้วไม่รู้มันจะเอาไงดีนี้สุดก็ไม่มีเพื่อนจบนะครับ แเราบาคนมีหลักขึ้นมาในในสุดเราจะพบเพื่อนเมากหมเราสามารถทํางานที่ที่ดีและพัฒนาได้ด้วยเดี๋ยวคู่าฝรั่งว่า creative ได้ไหมมันมาทำอะไรทุกอย่างมันไม่เพียงทําเท่านั้นนะงานเข้ามันค้นพบ อ, อวิธีที่รัดสั้นด้วยดีกว่าขึ้นไปสมัยนี่ครับเพราะว่ารูปจะเลื่อยไม้จ่าจ้าราคาเนยะมันค้นพบอะไรหใหม่ๆเรื่อง เรืร่องเลือกคือสงต่างๆาวหน้ากัเรื่อยๆดนั้นจงรู้จักที่จะศึกษาตัว เ, เองท้องคื้นทนองนั้นมักจะมีบทบาทสูงในวันหนึ่ต่เราจะทำอะไรด้วยความที่นองที่ผมขอโทษด้วยนะที่อาจารย์เป็นธรรมจารย์ที่ร้องเพลง เอาความนักดีวัยของวุฒิอจารย์จริงๆมาผมนึกไม่ได้ตำหนิผมไม่ได้มาหน้าดูจริงๆสูงนี้แต่ก็ไม่นึกอะไรเขาคิดว่าเขาคงคิดว่าพุงนี้คงได้ศึกคงสบายใจมัผมไม่หมายอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าเพลงที่ร้องจริงก็ว่าพุงนี้ฉันได้ศึกแล้วดูทีตามใจเอบทีจริง อ่ะรมร้องอยู่ผมผมไม่ร้องถ้าถ่ายวีดีโ อ, อ <S <S เขินชาบองเพื่อนผู้หญิงย้อนอันนี้ชักจะบ้าไปใหญ่ล เ, เลยเรองอะไรต้องจะฟังต้ให้จังหวะหนึ่งสองสามบานิสิ แม <c ười> ่ละตรงีเส oh so, ียงยืดถึกน <c ười> <c ười> ิสมาธิมันเอาไหมหนึ่งสองสาทเ่มาชนิมีนตสมาธิมันมื่อมาันต่อกันแม่ร็จแล้วเอาไหมเมื่อ <laughs> <laughs> oh my, he lived on my name.